เมื่อออกพัรศาลารามเจ้าอาวาแรมนิราชมุ่งไปในไพรสนแสวงวิเวกวังวิมุตแดนหลุดพ้นสู้ลำบนทนลำบากภัยมาก ดงเดินผเผชิญไปไม่เคยคลาดตามรอยบาทตราดเหนือแผ่นดินพระชินนาสีนครพนมสกนลนครอุดรธานีน้องคายเลยลมศักมนี้ป่ามากไม้ทั้งหลวงพระบางเวียงจันยานทางแขก ขยับขยาย่แยกแปลกหลากหลายทั้งคุณข้าวเน่าพนาป่าเรียงรายเห็นเสือช้างทางหัวควายไปทั่วแดนอยู่ที่ในภาวนา ไมลาลดทำปากว้างวางบันพ้นกำหนดแผนไม่อ่อนพอย่อย่นไม่คลอนแคลนใจเป็นแกนสติตั้งคอยติดตามจะหนาวร้อนเพียงใด แห่งวัดตะวนพอเช้ามาครองผ้าออกบินทบาทสำรวมกายไม่ประมาทขาเทตนมีสติประพองไว้ในใจตนรูปเสียงกลิ่นรสบนคอยระวังก่อนฉันอาหารหวานขาวเคล้าในบาท ต้องไม่ขาดที่จารณาทั้งหน้าหลังปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตังเพื่อหยุดยั้งความอรอยถอยจากใจ แต่งานนี้อยากเย็นดูเข็นใจเลอไม่ได้มันต้องเอาไฟมาเผาเราแต่ใจท่านมันคงไม่ลงกิเลสคอยสังเกตบทรังับไม่อาบเช้าสมาธิภาวนาพาบัรเทา ไรองจนกิเลสหลุดหายไปทีละนิดเห็นดวงจิตโดดเด่นเนไม่เป็นสองแต่บาปโหนอยู่ไม่น้อยคอยประคองอันใดตกบกรองต้องขาดกล่าว พระอาจารย์เสาเคยจำพรรษาอยู่ด้วยกันนั้นบางคราวทั้งสองเฝ้าเคารพธรรมที่พรำเพียรแม้ภายหลังแยกย้ายไปคนละทิศทว่าจิตเคารพธรรมกันไม่เคยเปลี่ยนต่างมุงหมายทลายกิเลสเหตุของเวียนที่ของ เวลาออกไปเที่ยวทุดงในที่ต่างๆในระยะต้นวัยนั้น ท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาผู้เป็นบุพ า, าจารย์เสมอท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้ท่านมีความเคารพในคุณธรรมของกันและกันอย่างมากแม้ความรู้ภายในจะมีแตกต่างกันบ้างตามนิสัยแต่ชอบไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งในและนอกพรราจิตของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบรียบสงบเย็นโดยสม่ำเสมอนับแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปทาของท่าน ไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมิวบายต่างๆและความรู้แปลกๆเหมือนจิตของท่านพระอาจารย์มันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดข้อข้องใจติดขัดขึ้นมาในจิตท่านพระอาจารย์มันไปกราบเรียนถามท่านท่านพระอาจารย์สาวก็ตอบว่าผมไม่เคยเป็นอย่างท่านเพราะจิตท่านเป็นจิตที่โดลดโผนมากรู้อะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเลยเดี๋ยวจะเหาะขึ้นฟ้าบ้างเดี๋ยวจะดำดินไปใต้พื้นผิ พ, พบ้าง เดี๋ยวจะดำน้ำลงไปใต้มาหาสมุทรบ้างเดี๋ยวจะโดดขึ้นไปเดินจงกรมอยู่บนอากาศบ้างใครจะไปตามแก้ทันขอให้ท่านใช้ความพิจารณาและค่อยดำเนินไปอย่างนั้นแหละแล้วท่านก็ไม่ได้ให้อุบายอะไรอีกพอเป็นหลักยึดเลยตัวเองต้องมาแก้ตัวเองซึ่งกว่าจะผ่านไปได้แต่ละครั้งแทบเอาตัวไม่รอดก็มี